ถ้าทําได้ตามวิธีการของแกแล้วก็มันต้องได้ผลอย่างวิเศษสุดคิดดูแกคงเคยระเบิดปลาในถ้ามาแล้วแกจุดระเบิดทิ้งลงไปให้มันระเบิดขึ้นใต้น้ําปลาน้อยใหญ่หรือสัตว์น้ําทุกชนิดในระแวกลัศมีระเบิดลูกถูกอํานาจอัดแรงระเบิดลอยตามขึ้นมาเป็นแพลมันตายเพราะแรงอัดของน้ําไม่ได้ตายเพราะบาดแผลอย่าว่าแต่สัตว์เลย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 แล้วเพก็ผลงไปนอนประมาณหนึ่งนาฬิกาเศษนางอ้วขยับปลุกดาลินขึ้นด้วยอาการหรัมรักตื่นตกใจปรากฏว่ามุมีอาการกระสับกระส่ายร้องครางด้วยพิษของบาดแผลที่อักเสบเต็มที่เชษฐากับชายยันรับเป็นตายเพราะความอ่อนเพลียในการเดินทางเมื่อกลางวันไม่รู้สึกตัวรับรู้เหตุการณ์ด้วยและหล่อนก็เห็นว่าไม่จาเป็นที่จะต้องรบกวนเวลานอนของคนทั้งสอง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 ในความเงียบสงัดนั้นหล่อนก็แว่วเสียงทุ้มกังวานลอยปลิ้วเข้ามากระทบโสดประสาทมันเป็นเพลงเกรเลียงที่หล่อนไม่รู้ความหมายของถ้อยคำแต่ก็พอจะสาเนีจอกรีลาอันเยือกเย็นไพเราะของมันที่ราวกับว่าจะกลั่นกรองออกมา จ, จากหัวใจของเจ้าของเสียงมันช่างอ่อนหวานซ่านหัวใจซินิกรไรใครหนอ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 เสียงเพลงนั้นหยุดไปอย่างกระทันหันเมื่อผู้ร้องรู้สึกในฝีเท้าของหล่อนที่เดินเข้ามาใกล้ดาลินหยุดยืนอยู่ตรงหน้าแง่ทรายอีกฝากหนึ่งของกองไฟร้องเพลงได้เพราะมากแง่ทรายน่าจะสกุลสาวเอ่ยขึ้นแผ่วเบาพร้อมกับยิ้มให้แล้วโบกมือเมื่อร่างสูงใหญ่นั้นขยับตัวจะลุกขึ้นตามสบายเถอะฉันไม่มีธุระอะไรจะใช้หรอกออกมาเดินเล่นเท่านั้น แล้วหล่อนก็พระออกเดินต่อไปช้าๆตามกลุ่มลูกหาและผานพื้นเมืองที่นอนกันอยู่ระเกะระกาะรอบบริเวณแคมป์ขณะที่ผ่านเกวียนคันหนึ่งใต้ต้นตะแบกที่มีกองไฟใหญ่อีกกองหนึ่งเหลือแต่ฐานแดงเหลืองอยู่นั่นเองผู้ที่นอนคลุมผ้าเอาหมวกปิดหน้าอยู่ใต้เกวียนก็ผงกตัวลุกขึ้นนั่งเสยหมวกขึ้นไปกองอยู่กลางศีรษะเผยเห็นหน้าได้รางๆอ้าปากหาวพร้อมกับพืชขึ้นกลัวมากับอาการหาวนั้น มีข้อควรสบายใจสําหรับพวกเราอยู่อย่างหนึ่งที่คนหนึ่งในคณะนายจ้างเป็นคนขยันหรือเกินมักจะตื่นขึ้นมาตรวจความสงบเรียบร้อยของแคมป์ยามวิการอยู่เสมอเป็นประจําผู้กํากับอยู่ในห้องผู้กองไม่ได้ปิดตรวจผู้หมวดยังอยู่ผู้หมูไม่ได้ไปเที่ยวแง่ท า, ายก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเหตุการณ์ปกติครับผมควรจะรุกขึ้นมายืนตรงแล้วก็รายงาน ไม่ใช่อ้าป akes, ากหาววอดราย ง, งานอย่างนั้นหล่อนกระชากเสียงประชดมาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามคําสั่งด้วยเคร่งครัดเหมือนกันกระโดดผางขึ้นยืนชิดเท้าตรงยกมือตะเบะพับอย่างแข็งแรงหน้าตาเฉยได้ลีนยืนกอดอกสำรวจตั้งแต่หัวจรดเท้าสลับกันอยู่สองสามครั้งปั้นเสียงต่อมาว่าเห็นผ <ISTINCT S 1> ู <nin> ้หญิงเดินมาคนเดียวกลางดึกจรวนหรือเหล่านี่เห็นจะเป็นอันธพายประจําหมู่บ้านหล่มช้างนี่กระมัง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 ถึงอากาศเย็นเลือดมันก็ร้อนขึ้นมาได้ถ้าโทระมันถูกยั่วยุลูกแกะผู้น่าสงสารนอนต่อไปดีกว่าว่าแล้วก็ซุดตัวนอนตามเดิมเอาผ้าผืนบางคุมโปแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งโยงเพราะผ้าผุยเก่าๆผืนนั้นถูกกระชากพ้นไปจากตัวโดยแรงพร้อมกับเสียงแว๊ดยังไม่ให้นอนถานแดงๆอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยเดี๋ยวก็ย่างเป็นหมูหันสิหรอกเฮแล้วพินลุกขึ้นนั่งอีกครั้งถอนใจเฮือก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 แบบเพลงซิมโฟนีชุดอันพินิตของซูปแปรไปเลยทีเดียวแล้วผินปั้นหน้าขึงขังถลกแขนเสื้อขึ้นดารินขยุ้มผ้าห่มผืนนั้นเป็นก้อนแล้วป่าใส่หน้าเขาพลานใหญ่รับไม่ได้แยกเคี้ยวก็ใส่พอดารินหันไปคว้าดุ่นฟืนติดไฟก็เพนหรือไปนั่งคุมเชิงอยู่ที่ก้อนหินฝั่งตรงข้ามห่างรัศมีเก่งจริงหนีทาไมล่ะแล้วเรื่องอะไรจะเห็นคนเป็นหมูหันเอาไฟมาน หม่อมราชวงสาวค้อนหน้ากลัวทำเสียงหึๆ อ, อ, อยู่ในราคอแล้วหันไปดูที่ผ้าห่มของเขาที่รอนใช้เป็นอาวุธปาใส่หน้ามืดตะกี้ฉ่วยขึ้นมาขยับจะโยนก็กองฝายด้วยนิสยัยพานที่มักจะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ปรับคนสําคัญแล้วินระหองด้านโจนพรพวดมาแย่งคืนไปได้หนีไปนั่งคลุมตัวอยู่ที่ก้อนหินที่เดิมอย่าโหดร้ายให้มากนะักพรานภายมีผ้าห่มบางๆอยู่ผืนเดียวนี่เท่านั้น จะเอาไปเผาไฟเสร็จแล้วตัวเองมีเครื่องกันหนาวสารพัดคนอื่นเขาไม่หนาวบ้างได้ยังไงหลอนตาคุนอยู่เช่นนั้นยกมือขึ้นปัดผมที่รมดึกเป่าลงมาเคลียหน้าผากแล้วทันทีนั้นเองก็ทาท่าเหมือนจะเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้ฉันให้แบงกเกตเราไปผืนหนึ่งไม่เอี่ยมทีเดียวขนสัตว์แท้ด้วยตอนที่เรานอนจับไข่ยอยู่ที่โปงกระทิงนั่นมันอยู่ที่ไหนแล้วล่ะ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 ดารินเดินปรีอ้อมกองไฟเข้ามาโดยเร็วกระชาบแขนข้างที่พันผ้าของเขาขึ้นขยับจะแก้ปมที่ผูกไว้ออกพริบตา น, นั้นเองวงแขนล่ําสันเต็มไปด้วยพลังอีกข้างหนึ่งกระลรองเอวกระตุกเพียงเบาๆเท่านั้นร่างงามของราชสกุลสาวผู้เป็นนายจ้างก็ก้มลงนั่งทับอยู่บนตักแล้วก็เลยถูกมัดอยู่ในวงแขนนั้นกระชับแน่นหน้าต่อหน้าห่างกันเพียงชั่วคืบทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งอยู่ในความเงียบสงัด นอกจากกระแสลมพับแผ่วที่กระซิบอยู่ตามใบไม้รอบด้านและเสียงเพลงรักชาวเขาที่รอยแววแผ่วหวานมาจากเงาสรวมุมหนึ่งเท่านั้นมือทั้งสองอันสั่นเทาของรอนยันอยู่ที่ซวงอกนั้นพยายามจะออกแรงดันแต่ไม่ทราบว่ามีพลังอะไรมายึดเหนี่ยวไว้เลี้ยวแรงมันเหือดหายไปหมดสิน้นหน้าแดงและกลับซี่สลับกันอยู่เช่นนั้นแววตาประมาะอดสู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 หลอนตวาดแต่เสียงก็ไม่เกินกระซิบอยู่เพียงแค่นั้นให้ตายก็ไม่ปล่อยอ๋อนี่บางอาจรวนรามเช่นนี้เลยก็สุดแล้วแต่จะตั้งข้อหาเอาแง่ทา ย, ายข่าคนคนนี้เสียดารินตะโกนทว่ามันดังก้องอยู่เพียงในใจนึกเท่านั้นง้างฝ่ามือขึ้นเตรียมจะตบใบหน้านั้นกลับยื่นใครเข้ามาอีกเหมือนจะเชื้อเชิญหลอนตบจริงเหมือนกัน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 สำหรับแรงต่อต้านขัดขืนนั้นครั้นแล้วก็สนิทนิ่งสั่นริ้วไปทั้งร่างเหมือนถูกกระแสไฟฟ้าแร่นผ่านตลอดทั้งองคาพยศมือข้างหนึ่งขยุ้มอยู่ที่ไหลแข็งแรงอีกข้างหนึ่งกำปลอยผมของศรีรษะนั้นไว้เคว้งคว้างเรื่อนรอยเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันอันเลือนรางนานเท่านานอ้อมกอดวงนั้นค่อยๆผ่อนคลายออก เปลือกตาที่ปิดสนิทคู่นั้นเต้นพริว้รวลมหายใจใแผ่ระดวยเหมือนคนที่ตกอยู่ในห้วงวิสันยีด้วยมนสกุครั้นแล้วทันทีทันใดนั่นเองสานึกก็กลับคืนมารวบรวมกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดสะบัดเต็มแรงพ้นออกไปจากตักของเขายืนหายใจสะท้อนหอบหลังมือข้างหนึ่งเครื่องอยู่ที่ริมฝีปากรอยถูกจูบตาแวววับปานเกรดดาวจ้องนิ่งอยู่ที่เขา สามหาวกักขระสัตตาเสียงกระซิบบริภาทแล้วเจ้าของเสียงอันแตกพร่านั้นก็หมุนตัวกลับสะบัดเส้นผมปลิวกระจายเหมือนอารมณ์ของตอนเองที่กระเจิงสาวเท้าเดินหายกลับเข้าไปในกระโจมโดยเร็วยูงทองร่องฟ้าเมคินทวินหวังไอดินโบยบินผินสูพัชสุทธา ดอกฟ้าโน้มกิ่งลงมาจากสวรรค์อาภาให้ดินปรีดาอาวรเจ้านกกระทเวกเสีงสยงใสคงข้าครวนเพลงรักของมันอยู่วิเวกหวานเช่นนั้นสิงสัตว์ตุระบาดและจักรจั่นเรไรรอบด้านดูจะสงบงันเงียบเชียบไปหมดเหมือนจะเงียยสะดับรำนำเพลงอ่อนซึ้งบทนั้นเจ้านก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 มุกเกิดอาการช็อกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบุดวิตจะกลับบ้านเก่าภายหลังการฉีดยาแต่หล่อนก็กู้ไว้ได้อย่างบุดวิตจวนเจียนท่ามกลางความใจหายใจความของทุกคนที่ช่วยกันอย่างชุรมุลอยู่หรือไปก็คงรู้กันก่อนข้าวันนี้แหละหล่อนกระซิบกับเชษฐาและชายยันขณะที่เงยขึ้นปลายแขนเช็ดเหงื่อบนใบหน้าขณะนั้นเจ้ามุซึมสงบไปได้อีกครั้งเกือบเที่ยง แล้วพินกับแง่ทรายก็โผล่กลับเข้ามาขณะนั้นพวกชาวบ้านในความควบคุมของขยินร่วมกับบุญคํากําลังระดมกันขุดหลุมเตรียมลงเสาเรือนเป็นที่เอิบกระเริครึกคักพรานใหญ่เข้าไปตรวจดูลักษณะการเริ่มต้นปลูกสร้างเรือนใหญ่ทั้งนั้นสั่งงานอยู่ครู่ก็เข้ามาในกระโจมแง่ทรายถือคันธนูอันใหญ่สูงเกือบทุ่มหัวตามเข้ามาด้วยพร้อมกับไม้ไผ่ที่เตรียมทําลูกซึ่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะัก เชษฐาชัายยันรอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วแต่บุคคลที่หันหลังให้ในทันทีที่ร่างของผานใหญ่ก้าวเข้ามาก็คือดารินหล่อนนั่งเท้าควางอยู่ที่ม้ากลมเล็กๆเบื้องหน้าร่างอันนอนเหยียดยาวของคนเจ็บมองดูนางอ้วนเอาผ้าขนุนผืนเล็กชุบน้ำผสมอะดิคโรนเช็ดตามใบหน้าและลำคอของจมูกตามคำสั่งของหล่อนแล้วพิมพ์เรืองไปอย่างร่างของน้องสาวนายจ้างแวบหนึ่งอย่างไม่ตั้งใจ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 ทั้งสองทำท่าตื่นงงในครั้งแรกแต่ภายหลังจากการสอบซักแล้วราพินอธิบายให้ทราบโดยละเอียดบุคคลที่ผ่านวิชาการทหารและชำนาญในด้านสัพทวุฒิอย่างดีมาแล้วอย่างเชี่ยถากับชายยันก็แทบจะลุกขึ้นเต้นด้วยความสมนัดหรือที่จะกล่าวชายยันปรีเขาจับแขนพรานใหญ่เขย่าอีกมือหนึ่งตบหลังเงสายเต็มรักพอคุณเอ้ยเด็ดอะไรอย่างนี้อยากจะรู้เหลือเกินว่าอะไรนะ ที่บรรดาที่แง่ซรายเกิดความคิดอใสแนวขึ้นมาได้แบบนี้สําเร็จแน่ไม่มีปัญหาสําหรับอาวุธชนิดใหม่ที่แง่ า, ายกับคุณช่วยกันคิดขึ้นมาได้นี่ชายันร้องออกมาลั่นเต้นตาเป็นประกายหัวเราะล่ากล่าวสารเสริญชมเชยแง่ท า, ายไม่หยุดป่าเชืฐาเองก็เต็มไปด้วยความปิติยินดีแต่อันเนื่องมาจากความรอบคอบถี่ท้วนตามนิสยัยเขาสอบซักถามพระพินกับแง่ท า, ายอย่างถี่ถ้วนที่สุดอีกครั้ง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 สายทำด้วยริ้วหนังวัวถักสามเส้นใหญ่ขนาดเกือบเท่านิ้วก้อยเมื่อทดลองเหนี่ยวสายน้าวคันดูคนข้อลำใหญ่ตัวร่ำสันขนาดชา ย, ยันก็ยังแขนสันขอดึงออกได้นิดเดียวก็เบ้ปากครองหัวบนอุบว่าไม่ไหวเชษถาขอเอาไปดูบ้างตรวจดูอย่างรอบครอบลาชสะกุลหนุ่มเคยเป็นนักกีฬายิงธนูมาก่อนบ้างเหมือนกันภายหลังจากพิจารณาอยู่ครู่เขาก็บอกได้ทันทีว่า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 ลินบรันดีดื่มโดยไม่เผชิญหน้าและไม่เปิดโอกาสให้เขาพูดคำใดด้วยรพินเหลือบตามองไปนิดหนึ่งหันไปส่งภาษาถามนางอ้วอยู่ครู่แล้วก็ผลักออกจากเต็น์ไปแง่ท า, ายง่วนอยู่กับการทำลูกธนูอยู่ใต้ร้นไม้หางสำหรับตัดลมใช้หางนกเงือกขณะที่รพินเข้ามาดูเขาเห็นจ้าหนุ่มพเนจรชาวโดงร่างยักษ์กลังติดหัวอันทาด้วยโรหะมีเงี้ยงเป็นแฉกอยู่สองแฉก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 แล้ผิญยิ้มออกมาอย่างพอใจเดินเข้าไปถอนธนูออกฉันทำนานเรื่องธนูซึกแกไม่ได้หรอกแง่า ย, ายแต่ถ้าจะให้บอกถึงความเห็นก็อยากจะท้วงว่าแกทำลูกมันยาวไปหน่อยปาเข้าไปต้องร่วมหลาทำให้น้ำหนักหัวของมันลดน้อยไปกลัวมันจะเหินลมเสียในระยะไกลถ้าเป็นลูกธนูยิงสัตว์ธรรมดาหัวมันก็เบาไปหน่อยตามที่ผู้กองว่า